สประวัติวาน 1. อุปาทวาน 1. ปัจจุปันนาวานอนุโลมบุคคล33อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาะไม่ใช่ปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกําลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในอรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิสัญญาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิทยุจจากกุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิด 34อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจตัชนาในอุปาทขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิไม่ใช่กําลังเกิด ในปาทคณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุสลของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตก็กําลังเกิดปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุสลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจารณาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติ ในอุปาทัณะแห่งจิตที well ่วิปย uh ุตจากอกุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กําลังเกิดอนุโลมโอกาส 35. อนุลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา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 ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาในอาญารย์จัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตรกำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กําลังเกิดในจตุโการภูมิและปัญจโการภูมิในภูมินั้น สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิกําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กําลังเกิดอนุโลมปุกขโาวกาส37อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉา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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็กําลังเกิดปฏิโดมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจติชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทัคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากุศลในปวัติการสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขคณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวกา ร, รภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังเกิด 38. อนุลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในรู ป, ปภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชานาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปทาทขคณะแห่งจิต ท, ที่วิบยุทธจากอกุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอภยัยกฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กําลังเกิดในอุปทาทขคณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิ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 แต่สภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณาแห่งจิตที่วิปยุจจา ก, กกุศลและอกุศลบุคคลผู้เข้านิโรอสมาบัตดและบุคคลผู้บัรอยู่ในอาจารย์สัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโรมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์ขัคณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิประยุจจากอกุศลและกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธจะมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในอาจาญย์ัตตภูมิ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 สภาวธรรมที่เป็นอัิยากริตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในอรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลมีใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุดติในพังคขคณะแห่งจิตในประวัติการ ในอุปาทัศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิด40อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจาก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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจติชนาในอุปาทขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในรูปประภูมิสภาวธรรมที okay? ่เป like ็นอัพยากริดของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคคณะแห่งจิตในประวัติการ ในอุปาทขศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในอรูปปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจินีกัโอกาส41อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมนนินั้นก็ไมนะ่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่ปฏิโลมปุชชา สภาวธรรมที er. ่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัิยากฤิในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนากำลังเกิดปฏิรลมปุจฉา สภาวธร ร, ท ร, ม, ม, ธ ร, รมที่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มี42อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนากําลังเกิดปฏิโรมปุจฉา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 วิทัชนาในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภู่มนั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลมิใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขคณาแห่งจิตที่เวิปยุจจากกุศลและอกุศลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาจารย์ยตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภู่มนั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจารณาในอุปาทัศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทข้าณาแห่งจิตที่วิปยุตจากอากุศลและกุศลบุคคลผู้บัติอยู่ในอาจารยจัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจารนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทัคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตมิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังขณะแห่งจิตในประวัติการ ในอุปาทัศนาแห่งสภาวธรรมที่เป ah bon ็นอกุศลในรูปปภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดได้สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ในอุปาทขศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลมิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการ ใ, ในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กําลังเกิด 44. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในปูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทัณนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอากุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่ใช่กําลังเกิด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 ในอุปาทขศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิด 2. อ, อติตะวานอนุโลมบุคคล 45. อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภพยากริจของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่46อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมโอกาส47อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เ huh? ป um <t> um ็นอกุศลในภูม <music AP> ิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเคยเกิดได้สภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิด 48. อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นตสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยเกิด ในจตุวการภูมิและปัญจวโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยเกิดอนุโลมบุคลอกาส49อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจารณาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเมื่อจิตที่เป็นอกุศลดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตัวการะภูมิและปัญจโวการะภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชชาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาตภูมิเป็นไปยอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตัวการะภูมิและปัญจโบการะภูม ok ิ สภาวธรรมที th an, ain, ่เป th on ke on ็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิดห0อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตติชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจติชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปยอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาจารย์ยตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยเกิดปัจจณีกับบุคคล51อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลค น, นั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาะไม่มีปฏิโดมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤะตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะตของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหม วิจัชนาไม่มีห้าสิบสองอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีก็โอกาส 5้บสาอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาปธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิด สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเคยเกิดปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มี 54. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิทยชนาเคยเกิดปฏิรมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีกับปุกคโลกาฏห้สิอนุโรมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิจารณาเมื่อจิตที่เป็นอกุศลดวงที่สองของบุคคลผู้บัตยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่เคยเกิดเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตยู่ในอาจารย์ตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด และสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉา enfin สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนา เมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตยอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตยอยู่ในอาจาญย์จตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติอยู่ในสุทาวาตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใด hm ไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้น hm ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่56อนุนโ ล, ม, โลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใด <belonging> ไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตดวงที่2ของบุคคลผู้บัตอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่ บุคคลผู้บัติอยู่ในอาจารย์ตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในตุทาวาตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม <asha> เ่เคยเกิดและสภาวธรรมที <Reagan> ่เป็นอัพยากฤตก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชนาะใช่สาอนาคตวานอนุโลมบุคคล57อานุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหม พิจารณาบุคคลจกได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตบุญเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็น <Raum> ก <aut T anya> ุศลของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตะมักและอรหันตะบุคคล สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จะเกิดห้อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจติชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคลบุคคลจกได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด และสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดอนุโลมโอกาส59อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม <hours ago. S 2> วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอตัญญาสัตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤิจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จะเกิด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 หกอ็ดอนุโลมปุตชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในวงเล็บในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิบุคคลจะได้อาราตมักในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิทัชนาใช่ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริดของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริดของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะ บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยรหัตมักกระหันตบุคคลและบุคคลผู้บัดอยู่ในอาจารยตจตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จะเกิด62 อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคล น, นั้นในภูมิ น, นมันน้ น, นก็จะเกิดใช่ไหมวิทัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมพเพรียงด้วยอรหัตตะมักและอรหันตะบุคคล บุคคลจกได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในมึงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลผู KP ้อุบัต no. ิอยู่ในอสัญญาตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศสไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศสก็จะเกิด ปัจณีกับบ <ả? S 2> ุคคล63อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับเพีงจิตใดในเมืองเล็บในลำดับแพีงจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมักและอรหันต์บุคคลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที so ่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจติชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิต สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาะใช่64อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตติชนาะบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตตมรักและอรหันตบุคคลบุคคลจะได้อรหัตมรักษ์ในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤิไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิต S.> สภาธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปัจจณีก็โอกาส65อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภพยกระษในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาจะเกิดปฏิโลมปุจชาสภาวธรรมที่เป็นอภพยกระในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มี66อนุโลมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในปุินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาจะเกิดปฏิโลมปุชฌาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกนุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิตัชนาไม่มีปัจจณีกับปุกคโรกาศหกสิบอนุโลมปุชฌา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิทัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลจักได้อรหัตมรักษ์ในลำดับแห่งจิตใดในมึงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น สภาวธรม ร, ร, ม, รคคคคธมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลมิใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตะมักอรหันตะบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยรหัตมรักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญัตตปุ่มสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤิตมิใช่จะไม่เกิด บุคคลผู้พร้อมเพลี่ยนโดยปยัจจิมติจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่จะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดในปูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่68อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคบคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยรหัตมรักและอรหันตนบุคคลบุคคลจกได้รหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในมือเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาจารย์สัตตพุ่มสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่ สีปัจจุปันนาตีตะวันอนุโลมบุคคล69อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังค์ขั้นนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในยุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลบุคคลผู้เข้าในรสสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศล ไ, ไม่ใช่กำลังเกิดในยุปาทขศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระดตของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในาุปาทะขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศล บุคคลผู information information ้เข้านิโรสมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระดของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะษของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดเจ็ิบอนุโลมปุจชา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังคข้าณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณาแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศล บุคคลผู้เข้าหนีรอดสมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในอาจารย์จตุ ภ, ภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตรของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตรของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาส เจอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมละอนุโลมปุขละอกาศสอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพันธะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิประยุจจากกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศล สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคัณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิบยุตจากกุศลบุคคลผู้บัติอยู่ในอจัญจัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กําลังเกิด ในยุปาทขศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิด 7.3 อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภู่มนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัศนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขศน์แห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศน์แห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลบุคคลผู้บัดอยู่ในอาจาญย์จตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิด ในอุปาทขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัิยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิดปัจจณีกับบุคคล 74. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจติชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ได้กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจติชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดไม่เคยเกิด สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิัชรณ์ไม่มี75อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิัารนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหม วิัชนาไม่มีปัจจณีกับโอกาส76อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมละปัจจณีกับปุคขโอกาส77ดอนุโลมปุจฉา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 บุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใใ น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาะใช่อนุโลมปุจฉา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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธาารญญร ม, ม, มที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจารนาในพังคัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาจัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตมิใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาดภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิก็ไม่เคยเกิดปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดในภูมิใด <ๆๆ S 1> ไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ไหมวิจตันาใช่